แล้วเข้ามาสู่ช่วงค้คสตี้มันจะเป็นแคสตี้แปดร้อยแปดสิมหนึ่งแปดแปดหนึ่ง ชีวิตลอเลก็เหมือนเรือเทเห์ออกจากเส้นทางชื่อยาวแล้วเกิยเคสไับไหมเจ้าของเคสที่เขามาฟังหรือเปล่านะที่บ้านฟังที่บ้านนี่เลยบา้านใกล้ๆเอาบ้านใกล้ๆนะใกล้ๆอ่ะใกล้ๆทำไมไม่มาฟังในโรงเรียนตื่นเต้นครับ โอ ось, ้มีแตเรื่องดีๆดีดีเอาไม่แถมหรอกของแพงลูกเป็นเด็กนักเรียนอนุบาลฝันไม่ฝันวิทยาพันแท้พันแท้จริงหรือ มีพันแท้พันทางพันแทนพันเทียมพันพันไหนเนี่ได้มาวัดสาบรมีบารมีเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วค่ะรูปมีเรื่องที่ค้างคาใจไหนดูสิหน้าที่ค้างคาใจคาใจเรื่องอะไรดูหน้าอ๋อโง่ห็งอย่างนี้ ตามตำราว่ากำลังฟุ้งซ่านอย่างแรงเดีย ว, เยว้เหมือนแป้งในกระด้งที่ถูกลมพัดฟุ้งก็เจอกระเจิงแล้วบางส่วนก็ขาใจอยูน่นี่ไอ้คุนคุณอะ ไม่ได้เอาไว้นออ่นการมามดูมันคุ้นๆเนี่ยดูแล้วเรื่องอะไรค้างขาดใจไม่เป็นไรเดี๋ยวลุย ก, กันต่อไปยากที่จะหาคําตอบอ๋อถ้ากําลังแสวงหาคําตอบเนี่ยไม่ยากแล้วแต่ถ้ามีคําตอบแล้วนี่สียากถ้ามีคําตอบแล้วนี่ยากแต่ถ้ายากจะหาคําตอบนี่ เดี๋ยวหาให้แม้ตลอดพบสามก็ไม่ไม่อาจมีใครให้คําตอบลูกได้ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คําตอบแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต้องเอาคําตอบเดิมเอาออกไปก่อนนะเดี๋ยวจะตอบใหม่เนี่เพราะบางทีคําตอบได้มาตอนฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นคําตอบที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มันจะพลาดได้เดี๋ยวจะหาให้ เพาลูกยืนยันว่านอกจากครูไม่ใหญ่หลวงพ่อเทเวนตี้ในดีเอซช่องนี้ช่องเดียวท่านั้นนี่แปลว่าลูกยืนยันว่าต้องการคําตอบนี้จากครูไม่ใหญ่ครับช่องนี้รวมสิ่งที่ดีๆไว้ทั้งหมดหละนี่ลูกกำลังจะบอกว่าคุณคณรูไม่ใหญ่หลวงพ่อเทเวนตี้ในดีเอ็มช่องนี้ช่องเดียวตอนนั้นที่จะให้คําตอบได้ครัคือถ้าเป็นเรื่องค้างค่าใจถ้ายัางค้างอยู่เนี่ยไม่ยากครกับ แต่ถ้าตกลงใจนี่สิมันใจยากตรงนี้ตองลองเขียนว่าค้าง่าใจแล้วลูกวิรองที่ตกลงใจไปแล้วหรือว่าค้างแล้วเมื่อกี้เราได้ยินม่าไงค้าง่าใจค้าง่ า, งาใจนะเรื่องค้าง่าใจนะจ๊ะจะได้พูดให้ถูกไงลูกจึงขอความเมตตาครูบิหญายฝันให้ฝันนี่ลูกกำลังของนะให้จะให้เ๋ยจะให้ ฟังในพนเรื่องรางลูกแล้วก็กลัวดังตอบไปนี้ค่ะอืมเนี่เสียด่าไม่มาฟังในโรงเรียนเดีลล๋ยวจะให้คําตอบ <c oughs> เริ่มต้นคุณพ่อเป็นหนุ่มนครสวรรค์ <c oughs> เป็นชาวสวรรค์หนุ่มรูปรอทีเดียวคุณแม่เป็นสาวสวยยโสธร อ, อามันหนุ่มรูปรอกับสาวสวยมาเจอกันที่กรุงเทพเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น <Pink. S 2> ความรักเกิดขึ้นที่กรุงเทพจะรักโจวกคราวหรือถาวรเรายังไม่ทราบนะแต่ว่าความรักเริ่มต้นแล้ว <Okay. S 2> เป็นต้นกล้าอ่อ น, ออน <c oughs> ๆนะจ๊ะนี่ embryo love อ <c oughs> ืมต้นกล้าอ่อนๆของความรัก <c oughs> <c oughs> สุดยอดเซ็งมากเลยโดยบุเพสันิวาต และความรักที่ไม่อาจจะมีอะไรมาขวางกัน้นลูกไปจะเป็นยังไงกันล่ะลูกจงเอาอะไรกั้นไว้อ่าอะไรจริงอะไรกันเผื่อลูกไปได้ยินะก็ไม่สาบฟังอยู่กปหรือเดี๋ยวหูอือไปเฉยคือคุณพ่อคุณแม่มาพบรักกันที่กรุงเทพโดยบุพเพสันนิวาสบุพเพสันนิวาสเนี่ยเขาจะต้องอยู่ร่วมกันจนตลอดชาตินะ ตะบูเพยอรารวาสนีกเรื่องหนึ่งเลิกชั่วคราวเนี่ยหรือชั่วเป็นคราวหรือถึงคราวชั่วก็ชั่ว <c oughs> คราวดีก็ดีอะไรั ค, ความรักที่ไม่อาจมีอะไรมาขวางกันจึงทำไห้ท่านทั้งสองตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันทันทีนี่นอันดับเรื่องความสามารถส่วนตัวของท่านนะลูกนะลูกอย่าไปตัดสินใจอ ย, อย่างนี้แล้วกัน โดยที่ผู้ใหญ่ฝ่ายคุณแม่ยังไม่เห็นชอบเท่าไหร่นักเห็นไหมผู้ใหญ่ฝ่ายคุณแม่ยังไม่เห็นชอบเหมือนกันเลยนี่ครูผู้ใหญ่ที่ยังไม่เห็นชอบนี่ <c oughs> ก็จะพิ่งไปตัดสินใจอะไรนะจ๊ะ <c oughs> ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายฝ่ายหนึ่งตอ <c oughs> นได้ใช้ชีวิตร่วมกันในเรือบรรทุกสินค้า <c oughs> นี่ที่ล่องไปนในลำน้ำําเ <c oughs> จ้าปียาอ <c oughs> ากาศนี่โรแมนติกมาก ทุกทั้งสองฝั่งบรรยากาศสวยงามเห็นผันผักตบจะว่าลอยมาก็หัวเราะเอิก๊กลมพัดพเิ้วคลื่นเปลวเปวก็ลื่นลมเวลามีความรักนี่มันจะเห็นอะไรจะรื่นเลงเห็นอะไรก็หัวเราะกิกก๊กนี่นไม่ใช่แม้มีอุปสรรค ใ, นในหญ่ทั้งสองก็ไม่ได้หวั่นไหวเลยได้ครองรักกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งลูกเดืถือกำเนิดเกิดมาค่ะ นี่เกิดมานี่ยเกิดมาในเครือแห่งความรักเครือรักแต่แล้วเรื่องราวของความรักมากแหละในบรรทัดนี้กับความกระตันอยู่ก็ได้เกิดขึ้ น, นแต่ช่างข้างหนึ่งคือความรักอีกข้างหนึ่งคือความกระตันอยู่รเรื่องมันอย่างนี้คือคุณยายลูกนะี่ยเกิดป่วยอย่างกระทันหันเนื่องจากการผ่าตัดแต่ทีนี้ก็ไม่มีใครดูแลเนะนีย แลีวด้วความรู้สึกห่วงอนาคตของลูกด้วยคือลูกเกิดในเรือรักเนี่ย <Yeah. S 1> ในเรือเนี่ยเกิดกันกลางแม่น้ำนี่ <Yeah. S 1> ไม่ธรรมาดานะ <Yeah. S 1> นี่คุณ <Yeah. S 1> แม่ของลูกเขาจำต้องตัดใจทิ้งคนพ่อของลูกมา <Yeah. S 1> คือเขาเดยังรักกันอยู่ <Yeah. S 1> แต่ตัดใจ mm hmm. ทั้งทั้งในความรักที่มีให้กับคณพ่อเนะ่ะยังมีอยู่มากมาย mm hmm. แต่หัวใจทั้งสี่ห้อง ทำไมเธอเขียนได้โรแมนติกดีอย่างนลยแต่เพราะคำหนึ่งถึงความกระตันยูเป็นที่ตั้งคุณแม่จึงได้พาลูกซึ่งอายุเพียงสี่เดือนโอ้นึกถึงแม่สาวพาลูกสี่เดือนอยู่ในอ้อมกอดหนีพ่อกลับบ้านมาอยู่ที่จังหวัดยโสธรด้วยความกระตันยู จะมาดูรายยายเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องหน้าเห็นใจทเดียวนี้จะเลือกกระตันยู่จากเหตุการณ์ครั้งนี้อะทําให้ตัวลูกเองต้องเป็นคนที่มีใบแจ้งเกิดถึงสองใบในะบแรกคุณพ่อแจ้งให้ทีกรุงเทพพอนะเกิดได้รู้ด้วยมันไม่มีบ้านเล็กที่เวลาน้ําขึ้นมันก็ไปขึ้นไปข้างบนพอน้ําลงอเอาไปหนวดเด็กโยนตาบลหนึ่งไม่รู้ตําบลไหน <c oughs> <c oughs> แล้วแต่น้ํำจะพาขึ้นหรอก สวัสดีใบหนึ่งคุณตาเนะี่ะแจ้งเกิดให้จังหวัดยโสธรเขออาจะลืมสี่เดือนมามาเกิดที่ตรงนี้คุณพ่อซึ่งยังรักคุณแม่อยู่เนี่ยก็เดิรมาตามคุณแม่และลูกเนะ่กลับไปอยู่ด้วยอีกหลายครั้งคือไอ้เรื่องนี้ม่เรื่องรักระบูกพันนี่มันจะตามไปตามมาแต่คุณแม่และลูกใจแข็งไม่ยอมกลับ จนตอนหลังคุณพ่อก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเพราะคุณพ่อคุณพ่ อ, พอก็เข้าใจนะว่าคุณแม่ต้องดูแลคุณยายมันเป็นเรื่องของคุณธรรมภายในสูงสง่งคุณพ่อก็มีคุณธรรมด้วยก็อ่ะงั้นเธอดาริ่งอยู่ดูแลคุณยายเถอะดูดูแม่เถอถ้าเธอไม่กลับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอลูกสาวเนี่เอาไปด้วยกันแล้วกัน พอแ ม, แม่หรือจะยอมได้หรือคะอแนนอนคะ่ะคุณแม่ไม่ยอมทิ้งลูกเด็ดคะ่ะจนคุณตาต้องขู่พ่อว่าทำให้เหริ่มวาวแวจะอาปืนไล่ยิงคุณพ่อจึงต้องยอมกลับไปแต่ยังก็ยังคงแอบมาตามดูอีกหลายครั้งด้วยความคิดถึงและห่วงใยเห็น ไ, ไหมพอมีความรักมีพันธนาการชีวิตแล้วเนี่ยโอ้ ความห่วงใยเนี่ยเกิดขึ้นทันอย่างนี้ถึงหกปีปล่อยไปมามาดูแลเนี่ยรักทั้งแม่บ้านเทพธิดารักทั้งลูก <Yeah. S 1> ในชีวิตครอบครัวก็จะเป็นอย่างนี้แหละมีห่วงมีใยจุดที่นี่มันมาอย่างนี้สิคุณตาให้คุณแม่ของลูกแต่งงานใหม่ uh. นี่ คุณพ่อเนี่ยรู้สึกยังไงเราเป็นบูชาด้วยกันหัวหน้าฉันเสียใจเสียใจสี่คุณพ่อเสียใจมากก็เดินดาลิงของฉันน่ะมันยังผูกพันอยู่แล้วฉันก็ไม่ได้ไปมีใหม่อะไรเนี่ยแล้วก็เทียไปเทียมาอยู่หกปีเนี่ยเสียใจ เสียใจมากทีเดียวเนี่ยแล้วก็แม่แต่งงานใหม่เขามีลูกอีกหนึ่งคนอีกฝ่ายชายจะรู้สึกยังไงเนี่ยเสียใจหนักเข้าไปอีกนี่เห็นไหมจ๊ะมันนึกถึงบรรยากาศในเรือรัก่นเนี่เขาจะรักมาด้วยความเสียใจอย่างนี้พ่อจึงแต่งงานใหม่แต่ยังคอยอีกสองปีถัดมาแปลว่าแปดปี ไปทำใจอยู่สองปีเนี่ยอมันไม่รู้จะทำไงคิดทึงคิดถึงวุ่นย้ายลูกกังวลพ่อใหม่เนี่ยก็จะดูแลลูกสาวของเราดีเหมือนเราไหมนะถ้าเราจะเอาลูกสาวมาอยู่เขก็ไม่ให้ก็คิดอยู่อย่างนี้อีกสองปีเนี่ย<อ>นี่เห็นไหมจ๊ะ ม, มันก็เหงาหรอรัอจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานใหม่อะไรหรอกจะดูเราสิ้นหวังไปแล้ ว, น, ลวนี่หนไหมจ๊ะ ชีวิตคู่มันก็เป็นอย่างนี้ต้องคิดให้ดีนะลูกนะดูหน้าหน่อยคุณคุณเอาไม่เปเวลาให้พ่อกับแม่คิดกันอย่างนั้นแต่ลูกอย่าไปคิดเนาะเมื่อคุณพ่อกับแม่ต่างมีครอบครัวใหม่ชีวิตในวัยเด็กของลูกจึงเติบโตมาจากความรักความอบอุ่นและการเลี้ยงดูของคุณตาคุณยายเป็นหลักอ๋อมันมาตรงนี้แล้วคุณตาคุณยายมาเป็น คุณพ่อคุณแม่แล้วพราพ่อกับแม่ตางก็มีครอบครัวใหม่คุณตาเนี่ยรักลูกมากไปไหนก็เอาไปด้วยให้คีดคออุ้มดูแลทุกอย่างอย่างดีสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีที่สุดท่านก็จะหามาให้สิ่งนี้ละค่ะคือสิ่งที่ท่านทำให้กับลูกท่านจะคอยปกป้องลูกเสมอเสมอลูกจะจำได้ว่า ลูกจะทำผิดขนาดไหนก็ตามถ้าวิ่งไปหาคุณตาทัน<อ>ก็ไม่มีใครสามารถตีลูกได้เวลาลูกไปโรงเรียนเมื่อถูกเพื่อนบุญชายกแกล้งลูกก็ร้องไห้คุณแม่จะพาลูกไปโรงเรียนและให้ลูกไปชี้ตัวคนที่แกล้งลูกแลก้วก็ให้ลูก บอกบอกคุณได้บอกคุณได้ตบไปเลยอไหนคนไหนคนนี้แกล้งก็ตอบไปเลยลูกตบอีกทีให้แม่เห็นเมื่อกี้แม่ลืมไปให้ตอบให้แม่เห็นด้วยอนี่เธอเขียนนี่ยเมื่อกี้กระพริบตาไม่เห็นอีทีลูกอ่าลูกเลยรู้สึกฮึกเหอไม่กลัวใครเลยแล้วควไม่กลัวนี่เราไม่มีใครกล้ามาแย่งกับลูกเลยค่ะ จึงทำให้ลูกเป็นความห้าวในกรัวใครมีทิธิมีมากติดตัวมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ลูกก็ยังมีมากและมีทิธิมากประตัวอย่างฉันฉันก็สู้คนนะแต่นั่นเป็นเรื่องในอดีตแล้วเธอบอกตอนนี้ทุกอย่างก็ลดลงแล้วค่ะลดลงชั่วคราวค่ะแล้วลูกรูป้าหมายชีวิต แล้วรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและมีความหมายเมื่อมาเจอครูไม่ใหญ่จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าลูกกลัวจะหลอกกันเล่นหลอกกันเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวอ่านอีกทีตอนนี้ทุกอย่างก็ลดลงแล้วค่ะแล้วะลูกรู้เป้าหมายชีวิตเป้าหมายชีวิตคือ ทำปาณิพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับใช่อะไรนะทำปาณิพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับใช่เป้าหมายชีวิตนี่เพราะลู ก, กรู้เป้าหมายชีวิตแ ล, ล้วรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและมีความหมายเมื่อมาเจอครูแม่ใหญ่ชีวิตในวัเด็กของลูกมีความสุขมากค่ะ จะมีคุณตาคุณยายอยู่ใกล้ใกล้ลู ก, กรู้สึกไม่กลัวอะไรเลยคุณตาคุณยายเปรียบเสมือนคุณพอ่อคุณแม่ของลูกลูกรักท่านมากค่ะแล้วท่านก็รักลูกมากเช่นกันวันที่ลูกรู้จักคําว่าเสียใจทรมานใจเจ็บปวดใจและสูญเสียเป็นครั้งแรกในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อลูกอายุได้แปดขวบ แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับตอนคุณวิทยายุได้62ปีเศษเสียใจทร ม, มานใจเจ็บปวดใจและสูญเสียนี่นี่มันเจ็บปวดใช่หไหมจ๊ะปวดนิดๆแล้เนี่ยวันหนึ่งคุณตาอยากทานทุเรียนแล้วได้ทานสมกับความอยากและอยากทานไปแล้วเพียงไม่นานคุณตาก็เสียชีวิตและอย่างคุณตายเป็นโรคความดันอยู่แล้ว ร, รวมไปยุได้80ปี ลูกจำได้ว่าวันนั้นลูกกลับมาจากโรงเรียนมีญาติญาติอยู่เต็มบ้านได้หมดอยู่ล้อมรอบเตงมบนตาตอนนั้นลูกรู้สึกว่าต้องเกิดอะไรขึ้นคุณแม่เรียกลูกมากราบเท้าคุณตาลูกเริ่มรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกรู้สึกรับไม่ได้ด้วยความเป็นเด็กเราจึงไม่ยอมเข้าไปกราบซึ่งลูกรู้สึกเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้ออื สิ่งที่เด็กอย่างลูกทำได้ในตอนนั้นคือ mm hmm. เดินไปร้องให้ริมหน้าต่างคนเดียวว mm hmm. ันเผาหน้าตาลูกรับไม่ได้จริงๆเลยค่ะตอนนั้นรู้เลยว่าหัวใจสลายเป็นอย่างไรือตอนนี้หัวใจช้ำ mm hmm. ช้ำช้ำช้ ำ, ชำ mm hmm. ลูกจำได้ว่าลูกจะวิ่งข้ไปในเมลุโอที oh. oh. ่เธอรักมากเลย จะไปพร้อมกคุณตาดีแต่ว่ามีคนคว้าไม่ทันลูกรู้สึกว่าอะไรกันคนที่มีร่างกายเห็นเห็นกันอยู่เผาไปแล้วไม่เหลืออะไรเลยอยู่ก็หายไปตาหายไปลูกเสียใจมากค่ะกับความสูญเสียครั้งแรกในชีวิตมันเป็นบทเพลงชีวิตของลูกจริงๆเลยตอนเด็กลูกมักจะถูกล้อเป็นลูกไม่มีพ่อเราจะเก็บความเสียใจ เคยเสียใจไหมลูกเขาพูดผิดนะี่ยไม่มีจะเกิดได้ยังไงแล้วความไม่เข้าใจไหมกับตัวเองจะวันนึงลูกชนไม่ไหวจึงกลับไปถามคุณแม่ว่า พ, พ่อหนูอยู่ไหนพ่อหนูเป็นใครสุดคุณแม่ก็สงสารจึงได้พาลูกมาพบกับคุณพ่อเจอกันครั้งแรกก็บอกกับตัวเองว่าใช่เลยคนนี้เลยพ่อเราแล้วก็ดูคุ้นมากเลยค่ะก็นาตาคล้ายกันนี่คะ่ะ จากนั้นลูกก็ไปมาหาสู่กับคุณพ่อจนลูกจบม .3 ก็ได้ไปอยู่กับคุณพ่อแล้วมาเรียนต่อที่กรุงเทพจนจบปวชในระหว่างที่อยู่ด้วยกันลูกกับคุณพ่อจะเอ็กซ์ไซส์กันบ่อยมากจะทะเลาะ ก, กันบ่อยมากไม่เคยจะเข้าใจกันเนื่องจากลูกไม่ได้เติบโตมากับคุณพ่อดังคุณพ่อก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถึงอัจฉริยสสารเด็กผู้หญิงว่าทำการสิ่งใดจึงมีหลายครั้งที่เราไม่เข้าใจกัน คพ่ลูกจบปวชลูกสะลาะ ก, กับคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งทะลาะสั่งลาเสร็จลูกก็ตัดสินญาออกจากบ้านไปสายุบ้านเพื่อนในนครราชสีมาและเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีค่ะหนึ่งปีผ่านไปคุณพ่อตามลูกจนเจอค่ะพอไปประกาศไม่กลางตามหาลูกที่สถาบันการศึกษาที่ลูกเรียนอยู่ตอนใจเป็นพ่อลูกดีใจมากค่ะร้องไห้ แต่ก็พยายามกลับไปกับคุณพ่อเพราะอยากเรียนต่อให้จบบุเรียนจบลูกกลับไปอยู่กับคุณพ่อสึ่งขนะนั้นคุณพ่อได้ข่าวัดพระธรรมกายแล้วค่ะท่านอยากมอบสิ่งดีๆให้กับลูกก่อนที่ลูกจะเลือกเส้นทางเดินชีวิตต่อไปนั่นคือการอบรมธรมรมท า, าิหญิงล้นดิสภคด้วยความเคารพรักพ่อลูกก็ตามใจท่านน่ะคือท่านให้มาอบรมก็ตามใ่ แต่ลูกก็อยากถามท่านเหมือนกันว่าพ่อหนูเอาแต่ใจตัวเองนะพ่อเบื่อหนูบ้างหรือเปล่าหนะ <c oughs> ลังจากการอบรมธรรมท า, าญาติยิงแล้วลูกก็ตัดสินใจกลับมาเป็นบัณฑิตแก้วเพราะมีกรณีคนหนึ่งมาชวนอีกทั้งประทับใจพระอาจารย์แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าอื่นใดนั่นคือ ลูกเดี๋ยรู้ถึงมโนปณิธานของครูไม่ใหญ่รู้สึกว่าตัวเองมาช้า ก, กว่าคนอื่นกลัวว่าบุญจะตามคนอื่นไม่ทันค่ะสองปีผ่านไปลูกต้องเลือกเส้นทางดินชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพราะบัณฑิตก้าเป็นได้เพียงสองปีเท่านั้นลูกรักในเส้นทางการสร้างบารมีมากแต่ขณะเดียวกันก็กลัวการเป็นอุบาสิกา อย่ากลัวเลยลูกการเป็นอุบาสิกาเป็นภาวะอันสูงดูอย่างคุณยายอาจารย์ที่จ้ะเป็นเส้นทางสูงส่งเฉพาะผู้มีบุญมากการเป็นอุบาสิกาจะสร้างบารมีได้สะดวกสบายง่ายและเยอะง่ายได้เยอะสร้างบารมีสะดวกสบายง่ายแด้เยอะพระไม่มีพันธนาการของชีวิตสร้างง่ายได้เยอะ ง่ายสบายได้เยอะมใจมันไม่มีอะไรที่ลำบากใจหรอกถ้าหากว่าวเราดาเนินชีวิตด้วยวิญญาณของอุบาสิกาจะมีความสุขทุกคืนวันเลยหลับตานั่งทำสมาธิอย่าให้ใจมันฟุ้งซ่านถ้าใจฟุ้งซ่านมันก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เลยใจมันจะอ่อนแอ ยังมีกำลังที่จะไปต่อสู้กับสิ่งที่ร้าวใจซึ่งสิ่งร้าวใจนั้นคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์ของชีวิตมันมาในรูปที่ดูหลูหลูดูสุดสวยนั่นมาเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะดูแล้วดูงดงามเพราะฉะนั้นเนี่ย เภทนี้เป็นภาวะอันสูงอุบาสิกาแปลว่าผู้อยู่ใกล้พระรัตถนาไตรัใกล้สรรณะที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดสิ่งอื่นไม่ใช่เพราะนั้นลูกอย่าไปกลัวเลยสิ่งที่ควรกลัวคือกลัวแต่การทําบาปกลัวแต่ผลของบาปละอายแต่การทําบาปและกลัวต่อผลของบาป ผลของ ก, ง ก, การทงกายวาจาใจแล้วมันมีวิบากนั่นแหละเป็นผลนั่นก็นสิ่งควรกลัวกลัวไปอาบายอย่างนี้ควรกลัวเห็นไหมจ๊ะกลัวความทุกข์สัลโหมของชีวิตจะอยากลัวการเป็นอุบาสิกาเลยละมีแต่เป็นทางมาแห่งบุญทุกวันทุกคืนทุกเวลาทุกอนุอนวินาทีเป็นภาวะอันสูงส่งแม้แต่เทวดาก็ยังประคองอัญเชิญบูชาชื่นชม ว่าอยู่ในเพศเราะว่อันสูงทตเดียวอย่า ก, กลัวนะลูกนะให้เดินเข้ามาเดินกข้ามาด้วยความม่งายเธอบอกตอนนั้นเธอบอกความในใจรักการสร้างพลเมืองไมจะกลัวาการเปิดบาศก์แต่เพราะในสุดช่างใจเดียแล้วเพราะว่าแต่ช่างข้างที่รักการสร้างพลรมือมีมากกว่าความกลัวจึงตัดสินใจเข้า อบรมสมาธิแก้วแล้วเขาอบรมบุคลากรใหม่ค่ะอื ม, อมเธอนี่ตัดสินใจถูกแล้วอขอส่งกำลังใจให้นักครบใหม่แห่งกองนับธรรมสู้สะลุออกไปชีวิตก็ขาดทุนเน่ขาดทุนชีวิตชาวโลกเนี่ยขาดทุนงนทุกวันนะไอ้เสมอตัวเนี่ยกำไรเนี่ยหายยาก วว่าสิ่งแวดล้อมมันมันเป็นเช่นนั้นเรามีบุญในระดับหนึ่งที่แลาได้หลุดพ้นจากภาวะนั้นมาแล้วถ้าเราวนกับคืนไปอย่างนั้นชีวิตเราจะมอมแมมดเดียวเห ม, มือนตกไปในบ่อโครนอย่างนี้หออลัวกระทางโลกมันต้องไปตกไปตีกันก <Okay. S 1> ว่าจะได้รับมาสิ่งแวดล้อมนี่ มีแต่ดึงให้ใจตกต่ำมันขาดทุนชีวิตกันไปทุกๆวันและความตายไม่มีนิพิจหมายด้วยสิความตายก็ไม่มีนิพิจหมายเราจะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้และค็รักสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นก็มักจะทําให้ใจเราเป็นทุกข์การพลดพลายจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์รกประสอบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรานะอะไรไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกข์อีกรลบเพราะฉะนั้นนี่มันมีเธอเรื่องทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีนะลูกนะสู้เะอลูกเมื่อไ่นานนี้มีเหตุการณ์สะเทือนใจเกิด ข, ข, ขึ้นกับลูกอีกครั้งหนึ่งคุณยายั้งลูกรักเหมือนคุณแม่ของลูกจะเป็นคนแข็งแรงและขยันจะไปลูกลกของคุณยายแม่คุณยายทำงานอะไรเลย แต่คุณยายก็ยังเก็บกวาดใบไม้ทํางานบ้านเล็ก ๆ, ๆน้อยๆอยู่วันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่คุณยายกำลังกวาดเศษใบไม้อยู่คุณยายนะจ๊ะกําลังกวาดเศษใบไม้อยู่คุณลุงซึ่งเป็นลูกชายคนที่สามของคุณยายลูกแท้ๆเนี่ยได้ขับรถกลับมาที่บ้านเพื่อมาเอาของ ขณะถอยหลังรถปิกอัพด้วยความเร็วกว่าปกติ mm. ระรีบมาก mm. แล้วกับประกอบคุณยายเป็นคนร่างเล็ก mm. จึงทําให้คุณลุงมองไม่เห็นคุณยาย mm. จึงถอยรถมาชนคุณยายแล้ว mm. ลูกห ล, ล, ลานๆที่อยู่ในเหตุการณ์รีบพาคุณยายไปส่งรโรงพยาบาลแต่เนื่องจากคุณยายยุมากแล้วและเป็นการชนที่ค่อนข้างแรง mm. จรึงทําให้คุณยายเสียชีวิตในเวลาต่อมาเราอายุได้87ปีลูกถอยหลังรถ ถอยรถมาชนแม่ตายเ oh. ป็นอันตริกรรมบากเนี่ย oh. ความตายก็ไม่มีนิมิตหมาย <Yeah. S 1> และอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> น่าเห็นไหมน่าศึกษา <Yeah. S 1> นะเกุญชายเสียชีวิตแล้วน้องสาวลูกเราว่าสมัยกุญชายยังมีชีวิตอยู่ในบอกที่ซ่อนกันเอาไว้เ <Yeah. S 2> คยนําเงินจํานวนนี้ไปจัดงานศพ <Yeah. Yeah. S 2> ลูกหลานจะได้ไม่เดือดร้อนเมื่ลูกกับน้องสาวไปยังที่เก็บเงินแล้วก็บพบเงินจํานวนหนึ่งซึ่งมากพอสมควร ลูกกับน้องสาวจึงได้ตกลงจัดสรรเงินบางส่วนใช้ในการจัดงานศพเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมของคุณยายและก็นำเงินอีกส่วนหนึ่งมาสร้างองค์พระธรรมกราลจาตัวและทําบุญอื่นๆให้กับคุณยายค่ะคําถามช่วงจํำด้วยนะจ๊ะเพราะเหตุใดคุณตาและลูกจึงรักและผูกพันกันมากพระบุญได้ลูกจึงเป็นหลานคนเดียวที่ได้รับทรัพย์สินจากคุณตาคุณตาเสียชีวิตเพราะสาเหตุใดคะ ท่านตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกสร้างพระอุทิศไปให้หรือไม่ผล บ, บุญนี้ส่งให้ท่านเป็นอย่างไรคุณตาฝากบอกอะไรถึงลูกบ้างคะวิบากรรมอะไรที่ทําให้คุณยายตั้งมาเสียชีวิตรถถูกคุณลุงซึ่งเป็นลูกแท้ๆของคุณยายถอยรถไปชนจนเสียชีวิตคะคก่อนตายท่านรู้สึกเจ็บปวดมากหรือไม่ท่านตายแล้วไปไหน อยากฝากอะไรถึงลูกหลานบ้างโดยได้สร้างาปลาบคุณยายสององค์องค์แรกลูกสร้างให้ขนาดที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่ไดเงินของลูกเองสว่วนอีกองค์ลูกสร้างปพระให้ท่านได้เงินของท่านแต่สร้างในช่วงเจวันหลังจากพิท่านเสียชีวิตไปแล้วบุณยายได้บุญสร้างพระทั้งสององค์แตกต่างกันอย่างไรคะและท่านได้รับบุญจากการสร้างองค์พระทั้งสององค์หรือไม่ ผลบุญนี้ส่งผลให้ท่านเป็นอย่างไรคะคุณลุงกับคุณยามีวิบากกรรมร่วมกันมากอากันมากหรือไม่อย่างไรคะร่วมกันม า, าหรือไม่อย่างไรคะคุณลุงยังถอยรถมาเหยียบคุณยาจนเสียชีวิตเอกการณ์นี้ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมหรือไม่คะคุณลุงจะได้รับผลกรรมที่เป็นเหตุให้แม่ท้ท้งตัวเองเสียชีวิตนี้หรือไม่อย่างไรคะครจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไร และนันตรีกรรมที่มีเจตนากับไม่มีเจตนาให้ผลแตกต่างกันอย่างไรคะคุณพ่อกับลูกเคยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรทำไมคุณพ่อจึงได้เป็นกัลยาณมิตรให้ลูกได้เข้าสู่เส้นทางการสร้างบารมีคุณแม่และน้องสาวของเราพ่อของลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรหรือไม่และลูกจะทําหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับคุณแม่และน้องสาวได้สําเร็จไหมคะต้องเป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองก่อนนะลูก วิบากกรรมอะไรจรึงทำให้ลูกมีสองใบเกิดและไม่ได้ใช้ชีวิตยอยู่กับคุณพ่อในว้เด็กแต่กลับได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากบุคคลรอบข้างคะปัจจุบันลูกมักจะเป็นโรคลมบ่อยๆเป็นเพราะวิบากกรรมใดอาหารไม่ค่อยย่อยลูกไม่ย่อยเพราะว่าระบบย่อยมันรวมมาจากระบบของความคิต คือไม่รู้จะเอาอยัางไงอะไรเงียย้ยจะเอางนี้ดีหรือเอา ง, งั้นดีอะไรเนี่ยหรือจะงงหรือยั ง, งไงอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนคิดน้อยคิดวนๆจะเอาไงเอาไงดีเอาไ ง, าย อ, างายอย่างนี้ดีไม่อไงอย่างเงี้ยเอาไงอย่างเงยโลกกับวนๆอยแค่เนี้ย่อเนื่มันก็เกิด ล, ลมในกระเพาะอะไรโลก ล, ล, ล, ลมเป็นอย่างเงี้ย แล้วจะต้องแก้ไขอย่างไรคะก็เลิกเป็นลมทั้งหมดเลยเป็นคนเป็นคนแทนลูกเคยสร้างบารมีกับมูขคณะมาอย่างไรเป็นอุาสการแล้วจะหายลมมีผลการปฏิบัติทําเป็นอย่างไรนี่ลูกเคยสร้างบารมีกับมูขคณะมาอย่างไรนี่เธอถามนะมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรมีผังการบวชติดตัวมาบ้างหรือไม่ไอมีไม่มีไม่ํางานแต่ปัจจุบันนี่สิ ภายในบรรดอดีตเนะ่ยอดีตนี่เราก็มาตั้งผังใหม่ได้ลูกเปหน้าที่อะไรในหมู่คณะคะอืมอือบอกไปก็ไม่เชื่อบอกดีไหมเนี่ยดีครับลูกเป็เพื่อนสนิทคนหนึ่งเรามีอุปนิสัยแตกต่างกันมากแต่ก็คบกันได้ดีๆไม่เคยขัดแย้งกันเลยเราเคยเกี่ยวข้องมันอย่างไรแต่เพื่อนคนนี้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะอนะย่งางไรคะ เธอถามสั้นๆหน้าคุ้นๆเนาะเธอถามสัน้นดีอย่างเลยอือจำเรื่อง ร, ราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับรับตาฝันเป็นตัวมิตะเ ต, ตินขึ้นมาขาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นญาใหญ่ปรัมปรากันจาคุณตาและลูก รักและผูกพันกันมากเพราะอ่าฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะฟังอยู่ครับต้องฟังนะลูกนะเพราะว่าถามมาเนี่ยตอบไปเนลูกลมเดี๋ยวก็หายลูกเดี๋ยวหายแต่จะเป็นลมไปก่อนแล้วลูกคุณตาและลูกรักและผูกพันกันมากเพราะในอดีตเคยเป็นทั้งหลานและลูกของท่านมาเคยเป็นลูกท่านด้วยเป็นหลานท่านด้วย กอดกันในปัจจุบั น, นท่านก็ดูแลเอใจใส่ลูกมาตั้งแต่เด็กจึงรักและผูกพันกันมากจ้ะในระดับที่ลูกแทบจะวิ่งกันไปในเตาเผาเมลุน่นลูกเป็นหลานคนเดียวจะได้รับทรัพย์สินจากคนตาเพราะใน่ดีก็เคยเป็นลูกท่านแล้วก็ได้รับบรดกจากท่านหลังจากท่านตายแล้วก็ทําบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆด้วยเงินของท่าน จึงทำให้มีสายบุญเชื่อมกับท่านมาบรรดานในท่านรักเอ็นดูแล้วยกทรัพย์สินให้จ้ะนั่นในอดีตนะจ้ะบุญนี้มันก็มาเชื่อมถึงปัจจุบันเังตอนที่เคยเป็นลูกท่าน่ะมันได้รับบราดบกขอท่านตายก็เอาเงินของท่านทำบุญในท่านบ่อยออเพราะฉะนั้นก็มีสายบุญตรงเนี้ในชาตินั้นะมาเชื่อมปัจจุบันทำใหท่านรักเอดูแล้วยกทรัพย์สินให้ บุญดาเสียชีวิตพระท่านหมดอายุไขตายแล้วก็ไปเป็นภุมะเทวาชั้นดีในบุญดีทำตามประเพณีอยู่ในหมู่บ้านภุมะเทวาแห่งหนึง่งลูกจะไปอยู่กับท่านไหมละ่ะ <c oughs> ตรงเนี่ยหมู่บ้านภุมเทวาโอ้มีอะไรหลากหลายนะเป็นภุมะดีเหมือนแต่ละบผลที่ยิไปให้ท่านแล้วท่านได้รับแล้วก็ทําให้ท่านมีสภาพดีขึ้นในทุกด้าน ลมขึ้นมีบ้านสวยขึ้นมีเสื้อผ้าดีขึ้นแล้วก็มีอาหารทีร่แรงๆเพิ่มขึ้นอาหารก็อร่อยขึ้น ท, ท่านดีใจมากที่ลูกทำบุญติไปให้ท่านและอนุโมทนาบุญกับลูกทุกวันเลยที่ลูกมาสร้างบารมีในวัด จ, จะ้ะตอนนี้ท่านชะงักกินิดหนึ่ง ในการอนโมทานาบุญที่ลูกมาสามร้างบารมีในวัดเนี่ยถ้าลูกลักท่านลูกก็ควรจะให้ท่านอนโมทานาบุญกับลูกที่ลูกมาสามร้างบารมีในวัดทุกวัน <S S เพราะท่านรักลูกมากอะถ้าลูกรักท่านมากก็ควรทําให้ท่านดีใจทุกวันมิฉะนั้นทําไมท่านก็นจะลํำบึงอ้าตายวันนี้เราไม่ได้บุญอีกแล้วเนี่ยโอ้เราจะต้องเป็นภมิมาตรวางอิทตลอดชาติเลยเหรอ ถึงจะเป็นชั้นดีแต่และอยากจะไปอยู่ที่อื่นนี่มันดีกว่านี้ถึงจะชั้นดีก็ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าเขตแต่ก็นี่มันยังอยู่ในความปกครองเก็จะได้เลื่อนชั้นกับเขาได้อนุโมทนาบุญกับหลานคนนี้หรือตัวลูกนี่แหละจะได้มาสร้างบารมีในวัด ต, ต่อจากนี้ไปจะเป็นอนุโมทนาบุญกับใครเนี่ยเพราะคนในบ้านเขาก็ไม่เอาอย่างนี้ด้วยก็มีลูกอยู่เพียงคนเดียว ท่านกำลังพึ่งลำพันไปไ้ลองไปฟังท่านดูสิกำลําพึงลําพันอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําไงดีฝากให้มาบอกช่ชยฝากบอกหน่อยก็เป็นไปสันียมเรียบร้อยแล้วก็รับฟังท่านเถอะฟังอยู่หรือเปล่าลูกฟังอยู่ฟังอยู่นัะเจ้าก็คุยกันสนุกไปตามภาษาพ่อลูกกันแล้ว คนอื่นห้ามฟังอกัไม่ได้อืก็คุยคุยกันไปอย่างนี้ก็คนคุ้นๆมันก็อย่างนี้ก็คุยคุยไม่แถมหรอกไม่แถมครับคุณยายถูกคุณลุงถอยรถมาชนตายเพราะกำแมนอดีตทันติค่าวัวแก่ที่ใช้ไถนามานานใช้ตั้งแต่นมจนมันแก่เพราะมันแก่แล้ว ใช้งานไม่ได้แล้วก็เอามาค่ากินเป็นอาหา ร, รในสมัยที่ท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมมาส่งผลอ้ะก่อนตายท่นรู้สึกเจ็บปวดพอสมคว ร, ครแต่แล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศเทวาอิ ม, อามาเป็นทองขนาดย่อมๆมไม่ใหญ่นัก ได้บุญที่ทําตามประเพณีและบุญที่สร้างพระให้จ้ะเนี่คุณตาก็อยากจะไปสมสูงอย่างนี้ได้รับบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ทําให้มีสภาพดีขึ้นท่านฝ้ามาบอกว่าท่านสุขสบายดีแล้วก็ฝากให้ไปบอกลุงของลูกที่ถอยรถมาชนว่ะแม่ให้โอโหสิกรรมจ้ะ อ, อย่าคิดมากเป็นเรื่องกา ร, รส่วนตัวของแม่เองอ ลูกก็ทําไปบอกลุงนะจ๊ะท่านจะได้หายทุกใจนะลูกที่สร้างของพระให้คุณยายสององค์องค์แรกลูกสร้างให้ท่านเองดึงเงินของลูกองค์ที่สลูกสร้างให้ท่านดึงเงินของท่านแต่สร้างท่านหลังเจ็ดวันนับจากวันที่ท่านตายแล้วนั้นผลบุญที่ได้ก็พอๆกันไม่แตกต่างกันเท่าไห ร, รแ่แต่แต่แต่ สู้เป็นเงินของตัวเองและทำได้ตัวเองในสมัยที่มีชีวิตยอยู่ไม่ได้จ้ะทำเองดีที่สุดเลยบุญที่เขาทำให้เมันเราได้มาส่วนหนึ่งมันไม่ได้ทั้งหมด บ, บางทีได้ส่วนน้อย บ, บางทีก็ส่วนมากขึ้นอยู่ว่ากำลังกุศส ม, มีแรงส่งแค่ไหนจิตผู้ที่ทำนั้นน่ยใสขนาดไหน ท่าก็ได้รับบุญทั้งกล่าวทั้งหมดแล้วจ้ะก็ทำให้ท่านมีสภาพทีดีขึ้นทุกด้านทั้งด้านอาหารทิปเสือ้อผ้าที่วสัยแล้วก็ดูเป็นสาวขึ้นเป็นต้นจ้ะคุณลุงซึ่งเป็นลูกคุณยายถอยรถมาชนคุณยายนั้นก็เคยมีวิบากกรรมกันมาคือคุณลุงก็เป็นวัวแก่ดังกล่าวตัวนั้นแหละจ้ะ ทีุ่ณยายใช้งานมาจนแก่ไม่สามารถไถานาต่อไปได้อีกอจึงนํามันมาฆ่ากินเป็นอาหารได้กลับชาติมาเกิดเป็นลูกของยายและวิบากกรรมดังกล่าวกับบรดานให้ถอยรถประชนคุณยายตายจ้ะไม่ใช่ไปลุงผูกโกรธจะวิบากกรรมที่ทำเอาไว้นั่นแหละมันดาลให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่นะจ๊ะเราจะไปคิดเอาเองโมเมเพราะเราอยากจะกินเนื้อมันเนี่ยว่าพระเจ้าสร้างบัวให้มนุษย์ มาเป็นอาหารกับมนุษย์ไอ้นี่มนุษย์โมเมลอะไปดูติวัวเวลาจะถูกข้ามลร้องไห้นะน้ำตาไหลปล่อยไปมันมันดีใจเราจะดึงกันมัในลงข่าเนี่ยมันถอยหลังมันสู้มากเดียวเลยแปลว่ามันมีชีวิตจิตใจมีความคิดเหมือนเราเนี่ยแต่พูดภาษามนุษย์ไม่ได้ถ้าพูดได้ก็หนี คน้ราถ้าเจอวัวเนี่ยพูดภาษาคนได้หนีเหมือนครั้งหนึ่งที่ครูไม่ใหญ่เจอนั่งอยู่หน้ากุณติคุณยายเนี่ยอยู่ๆก็มีโยมผู้หญิงอยู่คนแล้วหลักๆมาเลยวิ่งกันดิฉันเป็นอะไรดิฉันเป็นอะไรเอ้าเป็นอะไรอ่ะดิฉันเป็นอะไรอ่ะเอ้าก็บอกว่าติเป็นอะไรใครจะไปรู้ก็นั่ง ก็ครูป้าใหญ่นั่งอยู่ที่หน้ากุฏิยายอา่ะอยู่ๆก็ลงจากรถลุมาอย่างเงี้ยดิฉันเป็นอะไรจะเย็นเย็นเย็นเย็นขันใจใสงบเดี๋ยวก็จะพบทางออกเดีย๋ยวมันก็จะดึกอีกแล้วนี่นตอหน่อยก็กำลังไปที น, นี้ก็พอก็สงบสงบอะไรฟังหน่อยเรื่องมันเป็นยังไงถึงหลักๆมาอย่างเงี้งยคือมี พระภิกษุรูปหนึ่งไปบอกให้ทำสังฆทานปล่อยคาราบาลควา ย, วายไม่ใช่วัวิดไถยชีวิตมันที่วัควควายที่กำลังจะถูกฆ่าทำลูกชิ้นนั่นเน่าได้ได้นะ่ชอบมากเลยก็เอาปัจจัยทำบุญให้ท่านไม่ได้รู้จักกันหรอกนะท่านก็บอกว่าเออปล่อยชีวิตโคแล้วจะทำให้อายุยืนเพากำลัง มีอิบากรรมมาสัดรอนอยู่นะต้องระวังมีเคราะห์อ่ะคุณยังไงทาซะล้วจะดีอังคาไปทําเสร็จแล้วก็พอถึงวันจะปล่อยท้งนข้ามาบอกโยมตอนนี้อยากจะเชิญโยมไปไปไปอนุโมทนาบุญที่จะปล่อยคาราบาวตรง น, นั้นนะ่ะเพราะมีคนปล่อยหลายคน ก็ไปด้วยกันพอไปถึงควายเนี่ยคาราบาวอ่ะเรียกชื่อก่อนเลยคุณแอมอนไรเงี่ที่ต่างที่ต่างคุณแอมอขอบคุณครับแล้วนั้นเราวิ่งมาแค่นะแค่ไม่กี่คํานะแค่น่าแค่คาราบาลพูดได้มีกี่คอคุณแอมสมมติติ๊ต่างชื่อนั้นประจําชื่อไม่ได้ ขอบคุณครับนั่งรถมาหากูมาใหญ่ไม่ได้รู้จักกันหรอกอดิฉันเป็นไรดิฉันเป็นอะไรเราจะจะตอบว่าไงก็แปลว่าอย่าให้ควายพูดภาษาคนคเดี๋ยวคนจะวิ่งหนีควายนี่เหมือนกันแหละเรารไปคิดเราเองนี่เดี๋ยวดึกแล้ววัวแกตอนนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นลูกของน้องยายวิบากกรรมนางกราบบรรดานให้ถอยรถไปชงวิญญาณตายจ้ะ เหการนี้ก็ฟังให้ดีนะจ๊ะไม่ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมเพราะไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าแม่ครับแต่เป็นเพราะกรรมเก่าบันดาลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นจ๊ะแต่ลุงก็จะมีวิบากกรรมที่จะต้องตายโดยไม่เจตนาเช่นเดียวกันจ๊ะถึงแม้จะไม่ถึงขั้นอนันตริยกรรมรแต่ก็มีวิบากกรรมคนละเรื่องกันนะ ค, ค, คือกรรมไม่หน่าเกินขนาดนั้นแต่กจ็จะเจออย่างนี้บ้าง ในชาติใดชาติหนึ่งทีนี้ จ, จ, จะแก้ไขมันก็มีวิธีแก้ก็ให้ลุงเนี่ยสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆทั้งทานศีลภาวนาแล้วที่บุญกุศลแม่ท่านบ่อยๆจ้ะถ้ามีเจตนาที่จะฆ่าถ้ามีแม้ฟังให้ดีนะจ๊ะไม่รู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ตามครับจึงจะจัดว่าเป็นอนันตริยกรรมซึ่งจะส่งผลให้ไปมหานรกจ้ะถ้ามีเจตนาฆ่า แต่นั่นลุงไม่ได้มีเจตนาฆาแต่การมันมันดาลแม้ไม่รู้ ว, ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยครับสมมติว่าพ่อแม่คลอดลูกมาแล้วก็แยกกันไปคนที่เนึนทางลูกถูกคนอื่นเลี้ยงแล้วก็ตัวเกิดไปครอบคลุมพานเป็นคนเกเรเป็นโจรเปรต้นแล้วไปฆ่าคนตายเปรื่นคนคนนั้นเนี่ยเ ป, เป็นบิดาหรือมารดาของตัวผู้ให้กําเนิดตัวมาครับเนี่ยแต่เจตนาจะฆ่าแต่ไม่รู้ว่าเป็น พ่อแม่ก็เป็นอนันตเดียกรรมโอ้ห์นี่คุณพระได้เป็นกัลวิตใหกับตัวลูกทําให้ตัวลูกได้มาสู่เส้นท า, ยยางการสร้างบุญมีเพราะในอดีตก็เคยเกิดเป็นลูกของท่านแล้วท่านก็ได้พามาสร้างบุญมีกับหมู่คณะคล้ายๆในชาตินี้เลยจ้ะต้องนึกถึงพระคุณท่านในดีนอกจากท่านให้กําเนิดลูกด้วยรูกปากายดยกายมนุษย์ท่านยังให้กําเนิดลูกในเส้นท า, ยยางการสร้างบุญมี ท่านเป็นสุดยอดแห่งบิดาทีเดียว<ม>เป็นพ่อแก้วลูกควรจะไปเคารพกราบไหว้บูชาท่านซะนี่คุณแม่และน้องสาวคนละพ่อของลูกเคยทรางบา ร, รมีกมบโมฆะมาแบบกลองสเสบียงประเภทไม่สม่ำเสมอทําให้บางชาติกับเจอกักนกมบโมฆะบางชาติก็บไม่เจอกันลูกจะเป็นกละไรมิดให้กับคุณแม่และน้องสาวด้นะั้นลูกจะต้องอดทนค่อยๆประคับประคองไปได้วยใจที่ใสและเยือกเย็น ที่ทำเวลาทำบุญก็อธิษฐานจิตทุกครั้งว่าขอให้ทำหน้าที่กัลมิตรนาพาคุณแม่และน้องสาวมาสร้างบุญมีกหมูกก่คณะให้ได้จ้ะ mm hmm. แต่ก่อนอื่นต้องเป็นกัลมิตรให้กับตัวเองก่อนนะลูกนะพ mm hmm. อเป็นกัลมิตรให้กับตัวเราเองนะ mm hmm. เดี๋ยวก็เป็นเรากรัลมิตรให้กับคนอื่นได้ mm hmm. ตั้งหนึ่งอ้วกสองลือ้อย่างนี้ mm hmm. ลูกเป็สองใบเกิดและไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับคุณพ่อตั้งแต่ใบเด็กแต่กลับได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากคนรอบข้างเพราะ ในอดีตเนี่ยตอนเป็นลูกท่านเคยน้อยใจออคุณพ่อเนรับที่ดุด่ า, าว่ากล่าวจนพูดออกมาว่าจะไม่กลับมาอยู่กับพ่ออีกแล้วแหละและลูกก็ได้หนีในชาตินั้นก็ได้หนีไปอยู่บ้านญาติแต่ว่าตอนมาเมื่อหายโกรธแล้วก็กลับมากราบขอเข้ามาท่านนี่ นั่นประการหนึ่งกับอีประการหนึ่งคือพ่อกับแม่สร้างบุญร่วมกันมาได้เพียงแค่นั้นคือสร้างบุญร่วมกันมาได้เพียงนั้นจริงอยู่ด้วยกันแค่ช่วงสั้นๆส่วนตัวลูกมีกรรมส่วนตัวพ่อกับแม่ก็มีกรรมส่วนตัวของท่านทั้งสองตามท่านไหมจ๊ะท่านนี่ใช่แต่ลูกมีบุญที่เคยส่งเคระาะห์ญาติและบุญที่มีความกตัญญูเลี้ยงดูบิดามารดามาส่งผล แต่ด้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากคนคอรอบข้างจ้ะปัจจุบันลูกมักจะเป็นโลกลกไม่บ่อยเพราะลูกมัไจะออกกำลังกายพักผ่อนน้อยและมีความเครียดเครียดเรื่องงานและคนในปัจจุบันแหละ <c oughs> นั่นอะไให ม, ใหม่ปัจจุบันลูกมักจะเป็นโรคลมบ่อยๆเพราะฟังอยู่หรือเปล่าลูกฟังอยู่ครับลูกไม่ค่อยได้ออกกำลังกายพักก่อนน้อยคิดคิดคิด น, น้อยๆเยอะมีความเครียดเรื่องงานแล้วก็คนปัจจุบันคนในปัจจุบัน <c oughs> ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรมาจะเอาไหมเอาอีกนิดไปลูกเอาไหมประความชั่วจะแก้ไขก็ให้มาเรากกำลังกายพักผ่อนเพียงพอนั่งทำไม้สม่ําเสมอนัน่งทําไม้เยอะๆนะลูกนะแผเมตตาดื่มน้ําอุน่นรับประทานอาหารที่ใ ย, ยง่ายอย่ากระทบกระทั่งกับใครอย่ากโกรธใครอย่ารักใครมากเกินไปให้สร้างบุญอย่างเดียว เรื่อยๆไปเดี๋ยวก็จะหายเองแข็งแรงจะสดใสและสดสวยด้วยนี่แะจ้า อ, อ็ก ซ, ซายซด์นี้อลูกดูลูปวิ่งอ็ก ซ, ซายด์่างน้ะจ๊ะนี่รับประทานอาหารได้ง่ายนั่งธรรมะนั่งธรรมะต้องนั่งธรรมะนะลูกนะจะไปนั่งฟุ้งซ่านอะไรเนี่ยให้คิดเรื่องพระพุทพพธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ให้คิดถึงหลวงปู่องค์เดียวก็พอแล้ว ไปถึงหลวงปู่เรียกคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยทำเปนมาหาปูชินิยาอาจารย์หรือคุณยายอาจารย์อะไรเงี้ยง่ายๆแล้วก็จะไปถือสาใครเราจะพูดแล้วก็เราก็ต้องคิดให้ดีและเลือกประโยชน์ที่พูดแล้วเขาฟังแล้วเขารักเราอะ่ะ<ม>เขาไม่รังเกยียจเราแล้วก็ทํางานร่วมกันได้มันมีประโยชน์ดีๆเยอะเชยวเดียวนะ แต่ว่าเราเราเขียมเขี่ยมใช่ขม็ดแขมแม่ใช้ไม่ค่อยเอามาใช้ถ้าเราเอาประโยชน์ดีๆมาใช้เนี่ยคนจะรักเรานาะถ้าเรารักตัวเราเองเราจะต้องทําให้คนอื่นรักเราด้วยรักเราด้วยการคิดดีพูดดีทําดีกับเขาเดี๋ยวเขาก็คิดดีพูดดีทําดีกับเราเห็นไหมเจะ้ในแงถ้าเราไม่รักตัวเราเองเราก็ต้องหาวิธีการทําให้คนอื่นเขาโกรธเราไม่ชอบใจเรา ลังเก le. ียดเรานี่มันแล้วแต่เราอ่ะลูกใช้ใครรักเราหรือเกลียดใครเราก็ก็แล้วแต่เราล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเราถือสามก็เป็นเรื่องไปเราครับถ้าเราไม่ถือสาซะมันก็เป็นลมเป็นแล้งถือมันก็หนักแต่ถือด้วยใจก็หนักใจถือที่มือก็หนักที่มือถ้าถือที่มือเราวางที่มือมันก็เบามือครับถ้าถือที่ใจมันหนักที่ใจถ้่เราวางมันก็เบาใจ ให้กายใจกายเบาใจเบามันสบายนะลูกนะสร้างบุญอย่างเดียวเรื่อยไปเดี๋ยวก็จะหายเดี๋ยวก็จะหายเองใช่ลูกคอยสร้างบารมีกันหมู่คณะมาโดยพุทธันดรที่ผ่านมาแหมมันสีส้มกว่าแล้ววัพรุ่งนี้ดีไหมวันนี้ก็มันสีส้มกว่าแล้วอ่ะจะได้ไม่คาใจจะได้ไจะได้หายคาใจเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวพุทธันดรที่ผ่านมา ฟังอยู่แล้วเ่าลูกฟังอยู่ครับพุทธันดรที่ผ่านมาลูกนะชั้นหนึ่งเลยแหละเป็นกุลธิดาเ<ม>บื่อในายในการครองเรือน<ม>ไอ้ที่เบือในายในการครองเรือนนี่นะสั้นๆกันแล้วกันนะลูกนะเพราะเวลามันดึกละคือสามีเจ้าชูเนะี่ยเขามีสุดที่รักเยอะเลยรักที่สุดไม่ใช่ตัวลูกเลย รักที่สุดคือตัวเขาแต่สุธิรักอยู่นอกบ้านคือนอกจากตัวลูกแล้วเขาก็มีนอกบ้านเด็กนั่นก็สุธิรักนี่ก็สุธิรักนี่สุติรักเบอร์หนึ่งสุธิรักหนึ่งจดหนึ่งสุธิรักหนึ่งจุดสองอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแต่รักที่สุดคือตัวเขาแทนที่รักที่สุดคือตัวลูกมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นคนหน้าเบือน์นายเนี่แต่ตอนแรกๆเขาจะทําดีกับลูกนะแล้วลูกก็รักเขา พอเขาตอนหลังเขาก็ทำตัวน่าเบื่อหน่ายเช่นเดียวกับลูกก็ทำตัวให้เขาหน้าเบื่อหน่ายเขาถึงต้องไปหาสิ่งที่ไม่น่าเบื่อหน่ายนอกบ้านอะไรต่างๆเหล่า น, นี้ไงเขาก็ไปหาไปเรื่อยๆพอเรื่อยๆอิติตใจสิอิติจใจตจใจนะ่ะเขาใจอิติตสุดิรักษ์นั่นแล้วดาริงราบานเยอะแยะไปหมดเล ย, เ ล, ยลูกระเบื้อเบื่อเบื่อมากอันที่สองมีลูกนะจ๊ะ ดื้อมันทุกคนเลยดูตัวลูกเป็นตัวอย่างกันลูกดื้อไ้ยละ่ะถ้าตัวลูกดื้อในชาตินี้ลูกของลูกในชาตินั้นสุดยอดดื้อเลยแล้วนำแต่เรื่องราวเนี่ยมาให้ลูกเนี่ยไอ้เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลากลัวลูกจะอยู่ว่างๆบางทีไม่น่าจะเรียกว่าลูกหรอกน่าจะเรียกว่าลากมากกว่า oh. คือลากพ่อลากแม่ขึ้นลงขึ้นศาลอ่างเงี้ย oh. ลากตัวลูกขึ้นศาลลากแม่ขึ้นศาล เปลี่ยงจากคำว่าลูก่าเป็นลากหรือลอกก็ได้ r o l l i ออ่างกไก่คือลอกทรัพย์สมบัติของแม่ผลานไปหมดสิ้นเลยเนี่ยเป็นทั้งลูกทั้งหลักทั้งลอกโอ้อมิตรภะแค่นี้ยังไม่พอนะลูกนะเรื่องเศรษฐกิจในชาตินั้นเศรษฐกิจอ๋อเศรษฐกิจบ้านอื่นเขาดี แต่มันเศรษฐกิจตกตามบ้านลูกก็พอบ้านเจ้าชูงี้ยเล่นการมานันอย่างงี้นี่ดื่มสุรางมันก็จะมันไปจะไปไหวแรกแรกเก็ดีเลยจ้ะแต่ตอนหลังเ้าก็ไม่ค่อยดีทอะไรับอย่างเงี้ยลูกก็บื้อเบื่อเบื่อไอ้เบื่อหนูนั่นยังอีกเรื่องหนึ่งเบื่อหนูนั่นอย่างหนึ่งเบื่อหนูหนูนี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะ แต่ลูกเน่เบื่อนายในการคลองเลือนนี่ไอ้ที่เบื่อหนูพราะหนูมันทำตัวหน้ารังเกียจัก็เบื่อมันอยากไปพ้นๆไปหนึ่งถ้าเบื่อหนูหนูนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งคือหนูสองตัวอันจะคิดมากจริลๆก็หนูหนูก็เบื่อหนูหนูหนูสองตัวเพราะมันกัดกันแล้วมันจะลอมันนกหูอยู่มันฟ้าไปดานเบื่อเบื่อ แต่โลกเบื่อหน่ายในการคล้องเลือนด้วยเหตุประการนี้ที่นี้จึงได้ตั้งความปรารถนาในพุทธันดรที่ผ่านม า, าจะประพฤติพรหมจรรย์สร้างบารมีในภพชา ต, ติต่อไปนี่เป็นความปรารถนามาหนึ่งพุทธันดรของลูกนะหนึ่งพุทธนนนันดรในบัรดาลูกนะเป็นช่วงรอยต่อของพระเจ้า พ, พระองค์หนึ่งกับอีกพระองค์หนึ่งเดียวๆแหละนานมากเดียวตั้งความปรารถนาว่าธรรมเกิดในเมืองมนุษย์จะประพฤติพรหมจรรย์สร้างบารมีในภพชาติต่อไป คิดยาวนานทีเดียวเนี่ย ค, คิดตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์ครับแม้ตายแล้วไปอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยรู้กันเนี่ยครับยังคิดต่ออีกาจะประพฤติพรหมจรรย์สร้างบารมีในพระเจ้าต่อไปครับมาก่อนลงมาเกิดรหรือผุดมาเกิดก็ไม่ทราบเนี่ยก็คิดว่าเป็นมนุษย์แล้วก็จะมาสร้างบารมีต่อจะประพฤติพรหมจรรย์นี่เป็นความปรารถนาของลูกนะ เพเบื่อหน่ายในการคลองเรือนเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเบือเบื่อหนูเบื่อหนูหนูเบื่อหน่ายนี่แหละใช่ในเป็นความปรารถนาของลูกนะลูกก็ต้องทําให้มันสมหวังในใจมันสำเร็จให้ได้ผังนี่มันจะได้หนาแน่นไงล่ะถ้าทําให้สําเร็จเล้ผังนี่มันก็ล่มสลายเนี่ยมันก็ไม่สาเร็จมันก็จะไปโลเลอยู่เรื่อย ถ้าโลเลชีวิตก็ถ้าชีวิตโลเลมอนก็เหมือนเหลือที่เทเหอออกนอกเส้นทางนี่แต่ลูกก็ยังพอที่ชื่นใจคือมีผลการปฏิบัติท่านนี่คือได้เป็นกองเสบียงของหมู่นนะเขยังมาทำบุญเพราะก็ไม่ค่อยมีมากอะไรไหรอกเพราะว่าเทพบุตรเอาไปพลานหมดลูกก็ผลาน ก็พอมีบ้างมาทําแต่ก็เป็นกองสเสบียงนะตางความปรัชนายอย่างนั้นมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงใสๆนะคือตอนสุดท้ายก็คือมันเบื่อเพราะเบื่อแล้วคนเราปฏิ้งแล้วนี่คพอคลายความผูกพันแล้วก็ก็จะปฏิบัติธรรมดีๆ ใ, ในชาตินั้นเนี่ยกว่าจะมาถึงดวงใสๆนี่นะจ๊ะรู้ต้องคลายความผูกพัน ลกอาจยังมีกรรมมิบา ก, กรรมกาเ ม, มเจ้าชู้อยู่นะถึงมาเป็นผู้หญิงเนี่ยยังมีอยู่อีกเยอะแต่ในชาตินั้นก็พอเบื่อนหนในทุกสิ่งเนี่ยก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมได้ก็ถึงดูงใสพอตัวเราอดกลับดุสิตบุรีได้นี่กลับดูสิตบุรีได้นี่มาจากดูสิตนั่นเองตั้งความหรั่นาน ดังั้นหากอยากเกิดเป็นผู้ชายได้บวช<ม>ก็ต้อ ง, งั้งใจมั่นที่จะประพฤติรมอาจริย์<ม>สร้างบารมีให้เต็มที่จนหมดอายุไขครัแล้วติฐานจิตให้ได้กเกิดเป็นผู้ชายได้บวชจ้า<ม>ต้องทําผังเนี้ให้หนาแน่นอย่าไปโลเลนะจ้าเดี๋ยวผังโลเลก็จะติดตัวไปแล้วก็ในสิ่งที่คิดนั่นอนะ่ะมันมันไม่เป็นไปดั่งที่คิดหรอกมันจะไปเจอในสิ่งที่ เข็มขัดสั้นนะ่คือคาดไม่ถึงครับอือ่างงี้ยเีย b i l o n expectation คาดไม่ถึงลูกมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งมีอุปนิสัยต่างกันแต่ก็ไม่เคยขัดแย้งกันเลยครกันมัิดีๆละเคยเป็นเพื่อนกันมิตกันมาเดยนเป็นกุลลธิดาทั้งคู่ในพุทธตานที่ผ่านมาจ้กะก็พอๆกันเ <c oughs> พื่อนเคยทราบาเรามีกระมูกนันนมาแบบกงสเบียง ยพัฒน์นานที่ผ่านมาก็เบือ่อน่ายจากความทุกข์ในการคลองเรือนเหมือนลูกกันแหละเหมือนเลย เ, <อ>เหมือนกันเลยเน<อ>ี่ยอได้ตั้งใจว่าจะประพฤติพรหมจรรย์สร้างบารมีในภพชาติต่อไปอและแล้วสร้างบาัไปิสาบเงินจากนั้นชาตินี้กต็ตั้งใจมั่นให้ดีในการสาร้างบารมีดังที่ได้ตั้งความปรารถนามา จ, จะชาตินั้นก็พัฒนานที่ผ่านมาก็มีผลการปฏิบัติทําก็ถึงดวง ใ, ใส เราต่อรากั บ, บทธิ์วริวงศ์บพิเศ ษ, ษได้ใช่ oh. เขาเป็นสาหายกัน oh. เจอเหมือนกัน oh. แล้วคิดเหมือนกันน oh. มานั่งเบือ่อเบือ่อเบือ่อเบื <c oughs> นิพิทาวิลาคนิมติวิสุทธิสันตินิพพาน <c oughs> <c oughs> นิพิทาเบือ่อเบือ่อพ <c oughs> เบือเบ่อนะก็คลายนี่คลายก็หลุดหลุดก็บริสุทธิ์ พอใจบ ร, ริสุทธิ์ก็นิ่ง <Okay. S 1> ดับทุกข์ได้ <Okay. S 1> เห็นไหมจ๊ะ mm hmm. คนเราเนี่ยควรจะวันหนึ่งนี่นะนั่งสมาธิไปพร้อมๆกับพระในตัวเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วคนหลับตาแล้วก็นั่ง <Yeah. S 1> ดูท่านนั่งไงแล้วเราก็นั่งอย่างนั้นไป <Yeah. S 1> เรื่อยๆท่านจะเป็นเหมือนฟิลเตอร์เครื่องกรองใจของเรา mm hmm. เหมือนเครื่องกรองน้ำเงินๆ ให้สิ่งที่เป็นมลทตินของใจนั่นแะมันหลุดล่อนไปบริสุทธิ์พระใจแต่ละวันเนี่ยเราจะมีเครื่องบอลินผ่านเข้ามาในใจตลอดเพราะนั้นไอ้เครื่องกลองน่มันอยู่ตรงกลางกายนั่นแหละเรานั่งไปหลับตาไปพร้อมกับองค์พระองค์พระท่านนัง่งไงเราก็นั่งท่านแล้วตอนนั้นให้คิดแต่เรื่องพระเรื่องเดียว น, ะนิ่งๆดูที่ท่านนัง่งไงเราก็นั่งพร้อมกับพระในตัวของเรา ท่านนั่งถ้าท่านมาขยับเราก็นั่งอย่าให้ใครมาลบกวนความสงบของพระในตัวเนี่ยอย่าให้ใครทําเสียงดังบอกพอใครทําเสียงดังบอกเด๋เพิ่งทําเดี๋ยวไปลบกวนพระในตัวเนี่ยท่านกําลังนั่งนิ่งๆแล้วเราก็นั่งนิ่ง ๆ, ๆแล้วเราก็อย่าไปลบกวนท่านด้วยความคิดฟุ้งซ่านแล้วก็นั่งไปพร้อมๆกับท่านอย่างนี้ไงดีไหมจ๊ะดีนี่งไงนั่งน่งนั่งกับพระใจสบายสบายอย่างนี้ไง ชาตินี้มาเจอกระลกางังใจสร้างบารมีให้ตเต็มที่นะลูกนะในทุกบุญปราติดสานกิตตามติไปดูสิบุรีวงบนพิเศษเรบรโมโพลสัจเดปพัดกันเลยจ้านีก็เป็นเรื่องราวของแคสั์ดีสั้นๆ ส, ส, สำหรับคืนนี้